อนันตรทุกขไงหร้อยนเหตุปัจจัยกับอนันตรปัจจัยมีเจดวาระนารามณปัจจัยกับอนันตรปัจจัยมีเจดวาระนาทิปติปัจจัยกับอนันตระปัจจัยมีเจดวาระนสหชาตปัจจัยกับอนันตรปัจจัยมีเจดวาระนอัญญมัญญาปัจจัยกับอนันตระปัจจัยมีเจดวาระ นิณิสีตปัจจัยกับอนันตรปัจจัยมีเจดวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับอนันตรปัจจัยมีเจ็ดวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับอนันตรปัจจัยมีเจดวาระนอาเสวนปัจจัยกับอนันตรปัจจัยมีห้าวาระนกรรมมปัจจัยกับอนันตรปัจจัยมีเจดวาระนวิปากปัจจัยกับอนันตระปัจจัยมีเจดวาระ นอาหารปัจจัยกับอนันตรปัจจัยมีเจดวาระนอินทรียปัจจัยกับอนันตรปัจจัยมีเจดวาระนัานปัจจัยกับอนันตรปัจจัยมีเจดวาระนมัคคปัจจัยกับอนันตรปัจจัยมีเจดวาระนสัมปยุตจะปัจจัยกับอนันตรปัจจัยมีเจดวาระ นวิปย um, ุตตาปัจจัยกับอนันตระปัจจัยมีเจดวาระโนอัติปัจจัยกับอนันตระปัจจัยมีเจดวาระโนวิกตปัจจัยกับอนันตรปัตปัจจัยมีเจดวาระอนันตระคัตนา564นาเหตุตุปัจจัยกับปัจจัย5คืออนันตระสมานันตรอุปนิสัยะนัตถิและวิกตามีเจดวาระ นัอารรมนัปัจกับละมีเจ็ดวาระนัธิปติปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนัจหาชาตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนัอัญญามัญญาปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนันิติญปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนัปุเรชาตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนัปัจชาชาตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระ นอาเสวนปัจจัยกับละมีหวาระนกรรมปัจจัยกับละมีเจดวาระนวิปากปัจจัยกับละมีเจดวาระนอาหารปัจจัยกับละมีเจดวาระนอินทรียปัจจัยกับละมีเจดวาระนชาณปัจจัยกับละมีเจดวาระนมัคคปัจจัยกับละมีเจดวาระนสัมปยุตตาปัจจัยกับละมีเจดวาระ นาวิปยตตปัจใจกับพระมีเจ็ดวาระนาโนอัติปัจจัยกับพระมีเจดวาระโนอวิกตปัจจัยกับพระมีเจดวาระนาเหตุปัจใจกับปัจจัย6คืออนันตระสมานันตระอุปนิสัยอาเสว น, ะนาตติและวิกัตะมีสามวาระนาอารามณปัจจัยกับพระมีสามวาระนาธิปติก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 นอาหารปัจจัยกับละมีสามวาระนอินตรียปัจจัยกับละมีสามวาระนชานปัจจัยกับละมีสามวาระนมัคขปัจจัยกับละมีสาวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระนวิปยุตตะปจจัยกับละมีสามวาระโนอธิปัจจัยกับละมีสามวาระโนอวิขะตปัจจัยกับละมีสามวาระ นัเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คืออนันตระสมานันตระอุปนิสัยกัมมะนัตถิและวิกัตตมีหนึ่งวาระนอารามณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอธิปติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนสหชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอัญญมัญญปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนนิสัยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ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 นาสัมปยุตตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนอัติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนอวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอนันตระมูลกนัยจบสมาันตรทุกกนัย5้าห้า นเหตุปัจจัยกับสมานันตระปัจจัยมีเจดวาระนอารามณปัจจัยกับสมนันตรปัจจัยมีเจดวาระนัอธิปติปัจจัยกับสมนันตระปัจจัยมีเจดวาระนสหชาติปัจจัยกับสมนันตรปัจจัยมีเจดวาระนอัญญมัญญะปัจจัยกับสมนันตระปัจจัยมีเจดวาระนนิติยะปัจจัยกับอนันตรปัจจัยมีเจดวาระ นบปุเรชาตปัจจัยกับสมณันตรปัจจัยมีเจดวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับสมณันตรปัจจัยมีเจดวาระณอาเสวณปัจจัยกับสมณันตรปัจจัยมีห้าวาระนกรรมปัจจัยกับสมนันตรปัจจัยมีเจดวาระนวิปากปัจจัยกับสมนันตรปัจจัยมีเจดวาระ นอาหารปัจจัยกับสมานันตรัปัจจัยมีเจดวาระนอินทรียปัจจัยกับสมาันตรัปัจจัยมีเจดวาระนชานัปัจจัยกับสมาันตรปัจจัยมีเจดวาระนมะขปัจจัยกับสมาันตรัปัจจัยมีเจดวาระนสัมปยุตตาปัจจัยกับสมาันตรัปัจจัยมีเจดวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับสมาันตรปัจจัยมีเจดวาระ โนอติปัจจัยกับสมนานันตรัปัจจัยมีเจดวาระโน ว, วิคตปัจจัยกับสมนาันตรัปัจจัยมีเจดวาระสมนาันตารัตนา566ในเหตุปัจจัยกับปัจจัย5คือสมนาันตาระอนันตาระอุปนิตติยานติและวิคตะมีเจดวาระ นอารรมนัปัจจัยกับรามีเจ็ดวาระนัทิปติปัจจัยกับรามีเจ็ดวาระนัสชาชาตปจจัยกับรามีเจ็ดวาระนัอัญญมัญญาปจจัยกับรามีเจ็ดวาระนันิสยปัจจัยกับรามีเจ็ดวาระนปุเรชาตปัจจัยกับรามีเจ็ดวาระนปัจชาชาตปัจจัยกับรามีเจ็ดวาระนอาเสวนปัจจัยกับรามีห้าวาระ นกกรรมมปัจัยกับระมีเจ็ดวาระนวิปปะกปัจจัยกับระมีเจ็ดวาระนอาหารปัจจัยกับระมีเจ็ดวาระนอินตรียปัจจัยกับระมีเจ็ดวาระนชาะปัจจัยกับระมีเจ็ดวาระนมะขะปัจจัยกับระมีเจ็ดวาระนสัมปยุตตะปัจจัยกับระมีเจ็ดวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับระมีเจ็ดวาระโนอาิปัจจัยกับระมีเจ็ดวาระ โนวิกตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนเหตุตุปัจจัยกับปัจจัย6คือสมา น, นตระอนันตระอุปนิสัยอาเสวนาณติและวิกตะมีสามวาระณอารามนากับละมีสามวาร ะ, น า, ร ะ, ะ, าาระนาทิปปติปัจจัยกับละมีสามวาระน า, าชาดปัจจัยกับละมีสามวาระ นัญญมัญญะปัจจัยกับระมีสามวาระนาิสยปัจจัยกับระมีสามวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับระมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับระมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับระมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับระมีสามวาระนอาหารปัจจัยกับระมีสามวาระนอินทรียปัจจัยกับระมีสามวาระ นัชานปัจจัยกับละมีสามวาระนมมปัจจัยกับละมีสามวาระนสัมปยุตตาปัจัยกับละมีสามวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับละมีสามวาระโนอธิปัจจัยกับละมีสามวาระโนอวิคตปัจจัยกับละมีสามวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คือสมนันตระอนันตระอุปนิสัยกัมมะ นัตถิและวิกตตามีหนึ่งวาระนัอารามณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัทิปติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัสหชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัอัญญมัญญปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนันิสิยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนปุเรชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ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 โนอัติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนวิกัตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระสมนันตะมูลกันัยจบสาชาตะทุกกนัย567นเหตุปัจจัยกับสหชาตตปัจจัยมีเก้าวาระนารามณปัจจัยกับสหชาตตปัจจัยมีเก้าวาระนาทิปฏิปัจจัยกับสหชาตตปัจจัยมีเก้าวาระ ณอนันตรปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี๙วาระนสมานันตรปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี๕วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี๕วาระนุปนิสตยปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี๙วาระนปุเรชาตปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี๙วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี๙วาระ นอาเสว่นปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีก้าวาระนกรรมปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีก้าวาระนวิปากปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีก้าวาระณอาหารปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีก้าวาระนอินทรียะปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีก้าวาระนาชาณปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีก้าวาระนมะขะปัจจัยกับ สหชาตปัจจัยมีเก้าวาระนสัมปยุทธ์ตปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุทธ์ตปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีสมวาระโนนัตติปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีเก้าวาระโนวิกตปัจจัยกับสหชา h ตปัจจัยมีเก้าวาระสหชาตาคตนา568นเหตุปัจจัยกับปัจจัยส คือสาชาตะนิสยาอัตติและอวิคตตมีกาวาระนะารามานปัจจัยกับลามีกาวาระ น, ะ น, นราทิปติปัจจัยกับละมิกาวาระนาะอนันตรปัจจัยกับละมีกาวาระนาสมานันตรปัจจัยกับละมีกาวาระนอัญญามัญญาปัจจัยกับละมีห้าวาระนาะปนิสยาปัจจัยกับละ la, มีกาวาระ นภุเรชาตปัจจัยกับละมีก้าวาระนปัชชาตาปัจจัยกับละมีก้าวาระณอาเสวนปัจจัยกับละมีกาวาระนกรรมมปัจจัยกับละมีก้าวาระนวิปากปัจจัยกับละมีก้าวาระณอาหารปัจจัยกับละมีก้าวาระนอินทรียะปัจจัยกับละมีก้าวาระนชาตปัจจัยกับละมีก้าวาระ นัมกะขปัจจัยกับละมีเก้าวาระนัสสันปยุตตปัจจัยกับละมีห้าวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับละมีสามวาระโนนัตติปัจจัยกับละมีเก้าวาระโนวิกตะปัจจัยกับละมีเก้าวาระนเหตุตุปัจจัยกับปัจจัย5คือสาชาตะอัญญมัญญานิสียะอัตติและอวิกตะมีสามวาระ นอารามณปัจจัยกับละมีสามวาระนอาทิปฏิปัจจัยกับละมีสามวาระนอนันตระปัจจัยกับละมีสามวาระนสมนันตระปัจจัยกับละมีสามวาระนอปนิจญาปัจจัยกับละมีสามวาระนปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนอาเสวนปัจจัยกับละมีสามวาระ นักกรรมมปัจจัยกับละมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับละมีสาวาระน้อาหารปัจจัยกับละมีสาวาระน้อินทรียปัจจัยกับละมีสามวาระน้าชาณปัจจัยกับละมีสามวาระน้มรขรัปัจจัยกับละมีสามวาระน้สัมปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมีสาวาระ โนนัตติปัจจัยกับละมีสามวาระโนวิคตาปัจจัยกับละมีสามวาระนาเฮตุปัจจัยกับปัจจัยหกคือสหชาตาัญญมัญญะนิสยาสัมปยุตตาอัติและอวิคตะมีสาวาระนัอรามณปัจจัยกับละมีสามวาระนัธิปฏิปัจจัยกับละมีสามวาระนัอนันตรปัจจัยกับละมีสามวาระ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 นอารรมนปัจจ an ja ัยกับรามีสามวาระนธิปติปัจจัยกับรามีสามวาระนันตารปัจจัยกับรามีสามวาระนสมันตรัปัจจัยกับรามีสามวาระนัญญมัญญปัจจัยกับรามีสามวาระนุปนิสตยปัจจัยกับรามีสามวาระนปุเรชาตปัจจัยกับรามีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับรามีสามวาระ นัอเสวะปัจจัยกัปละมีสามวาระนักรรมปัจจัยกัปละมีสามวาระนวิปากปัจจัยกัปละมีสามวาระนัอาหารปัจจัยกัปละมีสามวาระนัอินตริยปัจจัยกัปละมีสามวาระนัชานปัจจัยกัปละมีสามวาระนัมขัปัจจัยกัปละมีสามวาระนัสัมปยุตตาปัจจัยกัปละมีสามวาระ โนนติปัจจัยกับพระมีสาวาระโนวิกตปัจจัยกับรามีสามวาระเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คือสหชาตะอัญญมัญญานิสียวิปยุตตะอัตติและอวิกตะมีหนึ่งวาระนอารรมณปัจจัยกับพระมีหนึ่งวาระนอธิปติปัจจัยกับพระมีหนึ่งวาระนอนันตรัปัจจัยกับพระมีหนึ่งวาระ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 นัชชานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนสสันปยุตตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวงเล็บอวิปากะ5หเหตุปัจจัยกับปัจจัย5คือสหชาตะนิสยาวิปากะอัติและอวิกตะมีหนึ่งวาระ นาอารามณนปัจจัยกับระมีหนึ่งวาระนาอธิปัติปัจจัยกับระมีหนึ่งวาระนาอนันตรปัจจัยกับระมีหนึ่งวาระนาสมานันตรปัจจัยกับระมีหนึ่งวาระนาอัญญมัญญาปัจจัยกับระมีหนึ่งวาระนาอุปนิสสิยปัจจัยกับระมีหนึ่งวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับระมีหนึ่งวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับระมีหนึ่งวาระ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 โนวกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนเหตุปัจจัยกับปัจใจหกคือสหชาตะอัญญมัญญานิสยาวิปากะอติและอวิกตะมีหนึ่งวาระนอารามณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอธิปติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนสมนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ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 มีหนึ่งวาระนวิปย sí ุตตาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนนัตติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาเหตุตุปัจจัยกับปัจจัยเจคือสหชาตะอัญญามัญญานิสียวิปากะสัมปยุตตาอธิและอวิกตะมีหนึ่งวาระนาอารามณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาธิปติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ นาอนันตรปัจจ um ัยก an um ับละมีหน um ึ ch pla, um ่งวาระนาสมันตระปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอุปนิสตยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาปุเรชาติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาปัจฉาชาติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอาเสวนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนากรมมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอาหารปัจจัยกับละ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 นิสัยวิปากะวิปยุตตาอัตติและอวิกตะมีหนึ่งวาระนารามณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัอธิปติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนันันตรัปปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัสมันันตรัปปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัอัญญมัญญปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัอุปนิสัยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัปุเรชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ นปัจฉาชาตัปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระนัอเสวนปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระนกกรรมปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระนัอาหารปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระนัอินทรียปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระนัชานัปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระนมัคขปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระนสสามปยุตตะปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระโนนติปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระ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 นามัคัปปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระณสัมปยุตตาปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระโนนติปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับรามีหนึ่งวาระในมุงเล็บสวิปากะ5สหาชาตะมูลกนัยจบอัญญามัญญาทุกกนัย569 ในเหตุปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนารามณปัจจัยกับอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระหน้าที่ปฏิปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนอนันติปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนาสัมันตระปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระอุปนิธนาอุปนิธสิยาปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระ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 นอาหารปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนัชานัปจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนมมะขปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสาวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระโนวิกตปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระ อัญญมัญญคัตนาห้าเจ็ดสบนเหตุปัจจัยกับปัจจัย5คืออัญญมัญญสหชาตะนิสยาอติและวิกตะมีสามวาระนารามณปัจจัยกับรามีสามวาระนาทิปติปัจจัยกับรามีสามวาระนาอนันตระปัจจัยกับรามีสามวาระนสมนันตระปัจจัยกับรามีสามวาระนาปนิตยาปัจจัยกับรามีสามวาระ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 นามัคป e ัจจัยกับลามีสาวารานสัมปยุตตาปัจจัยก <ari> ah ับลามีหนึ่งวารานวิปยุตตาปัจจัยกับลามีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับลามีสามวาระโนวิกตาปัจจัยกับลามีสามวาระในเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คืออัญญามัญญะชาหัชตะนิสิยะสัมปยุตตาอัตถิและอวิกตะมีสามวาระ นอารามณปัจจัยกับรามีสามวาระนัททิปติปัจจัยกับรามีสามวาระนัอนันตารปัจจัยกับรามีสามวาระนัสมนันตารัปัจจัยกับรามีสามวาระนัอวินิสยปัจจัยกับรามีสามวาระนัปุเรชาตปัจจัยกับรามีสามวาระนัปัชชาตปัจจัยกับรามีสามวาระนัอาเสวณปัจจัยกับรามีสามวาระนักรรมมปัจจัยกับรามีสามวาระ นวิปากัปัจจัยกับรามีสามวาระนอาหารปัจจัยกับรามีสามวาระนอินทรียปัจจัยกับรามีสามวาระนาชานปัจจัยกับรามีสามวาระนมัคคปัจจัยกับรามีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยกับรามีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับรามีสามวาระโนวิขตตปัจจัยกับรามีสามวาระนเหตุปัจจัย กับปัจจ oh ah ัยหกคืออัญญมัญญาสหชาตะนิสยาวิปยุตตาอธิและอวิกตะมีหนึ่งวาระณอารามณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอธิปฏิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณสมนันตระปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอุปนิสยาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณปุเรชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ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 อัญญามัญญสหัชชาตะนิสัยวิปากะสัมปยุตตะอธิและวิกตะมีหนึ่งวาระน้อารามณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระหน้อธิปฏิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระน้านันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระน้สมานันทรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระน้าอุนิสัยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ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 นวิปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนวิกัตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในเหตุปัจจัยกับปัจใจเจ็ดคืออัญญมัญญาสหชาตะนิสยาวิปากะวิปยุตตาอธิและอวิคัตตมีหนึ่งวาระนอารามณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอธิปฏิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ